นิทานธรรมเรื่องพยากระต่ายเรื่องนี้เป็นชาดกอยู่ในหนังสือนิทานธรรมะบริเวณชานเมืองพาราณสีมีป่าใหญ่อยู่แห่งหนึ่งด้านหนึ่งของป่านั้นติดเชิงเขาอีกด้านหนึ่ง แม่น้ำและอีกด้านหนึ่งติดหมู่บ้านชายแดนมีสัตว์ป่าจำนวนมากอาศัยอยู่และมีสัตว์สีตัวเป็นเพื่อนกันคือกระต่ายลิงหมาจิ้งจอกและนาคชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นกระต่าย ได้รับแต่งตั้งจากเพื่อนทั้งสามให้เป็นราชาของพวกตนเนื่องจากมักกล่าวสอนเพื่อนเหล่านั้นให้ทำความดีอยู่เนืองเนืองสัตว์ทั้งสี่ตัวนั้นเป็นสัตว์ฉลาดค่ะรุ่งเช้าต่างฝ่ายต่างออกไปหากินแล้วตกเย็น ก็มาพบปะพูดคุยกันและหลังจากพูดคุยสนุกสนานเฮฮากันแล้วกระต่ายก็มักจะกล่าวสอนว่าพวกเราพวกเราเนี่ยต้องให้ทานต้องรักษาศีลและต้องทำอุโบสถกรรมสัตว์ทั้งสามตัวนั้นรับโอวาทของกระต่ายไปปฏิบัติ แล้วก็กลับเข้าพุ่มไม้ที่อยู่ของตนสัตว์ทั้งสี่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนวันเวลาผ่านไปหลายปีวันหนึ่งกระต่ายมองไปบนท้องฟ้าเห็นพระจันทร์เพลนเต็มดวง พอแสงสว่างนวนใยก็รู้ได้ทันทีว่าพรุ่งนี้เป็นวันถือศีลอุโบสถ ด, ดังนั้นเมื่อลิงหมาจิ้งจอกและนาคมากันพร้อมนะ่ะกระต่ายจึงบอกว่าเพื่อนรักพรุ่งนี้เป็นวันอุโบสถขอเพื่อนทั้งสจงสมาทานศีลแล้วรักษาอุโบสถ ทานที่คนมีศีลให้ย่อมมีผลมากฉะนั้นเมื่อมีใครมาขอขอเพื่อนจงแบ่งอาหารให้เขาก่อนแล้วตัวเองค่อยกินทีหลังขอบคุณท่านมากสัตว์ทั้งสามกาวขอบคุณกระต่ายแล้วกลับเข้าพุ่มไม้ที่อยู่ของตนตามเดิม รุ่งเช้าวันอุโบสถสัตว์ทั้งสี่สมาทานศีลแล้วออกไปหากินด้วยหมายใจจะนำเหยื่อมาเก็บตุนไว้กินหลังจากออกจากถือศีลอุโบสถนาคค่ะนาคี้เป็นสัตว์กินปลาจึงไปหาเหยื่อแถบริมฝั่งแม่น้ำคงคา เวลานั้นน่มีพานเบ็ดคนหนึ่งกำลังหาปลาอยู่เขาตกเบ็ดได้ปลาตะเพียนมาเจตัวจึงเอาเถาวันมาร้อยเป็นพวงแล้ว น, นำไปกลบทรายไว้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำคงคานั่นเองแล้วกลับไปตกเบ็ดใหม่หน้ากำลังเดินหาปลาตายอยู่แถบนั้นได้กลิ่นคาวปลาจึงสูดไปตามกลิ่น จนกระทั่งถึงที่ที่พรานเบ็ดกลบปลาไว้อยู่นี่เองนาคคิดด้วยความดีใจที่หาพบจากนั้นจึงเริ่มคุยทายนากดีใจที่เห็นปลาพวงใหญ่แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีโจของหรือไม่จึงประกาศขึ้นสครั้งว่าเจของอยู่ไหน เจ้าของอยู่ไหนเจ้าของปลาอยู่ไหนครั้นเห็นว่าไม่มีเจ้าของนาคจึงข้าพวงปลาไปแขวนไว้ที่พุ่มไม้ที่ตนอยู่ตั้งใจว่าจะเก็บไว้กินหลังจากออกจากการถือศีลอุโบสถแล้วจากนั้นจึงมานอนนึกถึงศีลที่ตัวเองสมาทานด้วยความปิ สใจส่วนหมาจิ้งจอกค่ะหมาจิ้งจอกออกไปหากินตามนาข้าวมันเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงโรงนาแห่งหนึ่งเข้าเห็นเปิดอยู่จึงเข้าไปข้างในก็พบว่ามีเนื้อย่างอยู่สองก้อน เหียตายหนึ่งตัวและกระบอกนมเปรี้ยวหนึ่งกระบอกมีจุของไหมเนี่ยไม่แน่ใจเนาะจากนั้นก็ประกาศหาเจ้าของเสียงดังรั่นอยู่3ครั้งจุของอยู่ไหนใครเป็นจุ๋ของจุของอยู่ไหนและเมื่อไม่เห็น มจีจูของจึงคาบของกินทั้งหมดนั้นไปเก็บไว้ที่ที่อยู่ของมันด้วยตั้งใจว่าจะเก็บไว้กินหลังจากออกจากการถือศีลอุโบสถแล้วจากนั้นจึงมานอนนึกถึงศีลที่ตัวเองรักษาด้วยความปิติใจเช่นเดียวกับนาค ฝ่ายลิงค่ะลิงก็ออกไปหาเก็บผลไม้ในป่าได้มะม่วงมาหนึ่งพวงแล้วนำมาเก็บไว้ที่ที่อยู่ของตนด้วยหมายใจจะเก็บไว้กินหลังจากออกจากการถือศีลอุโบสถแล้วเช่นกันจากนั้นจึงมานอนนึกถึงศีลที่ตนรักษาด้วยความปิติใจ เช่นเดียวกับนาคและหมาจิ้งจอกไฟกระต่ายเป็นสัตว์กินหญ้าเป็นอาหารเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องออกไปหาอาหารมากักตุนไว้เนื่องจากหญ้าเนี่ยมีขึ้นอยู่ทั่วไปแต่ขณะเดียวกันก็อดคิดไม่ได้ว่าเอหากมีผู้มาขอของกิน เราจะเอาอะไรให้เขาแน่นอนว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะให้ยญ้าเขากินได้นอกจากหญ้าแล้วเราก็ไม่มีของกินอย่างอื่นเลยแม้แต่สิ่งเดียวเอาเแม้เราจะไม่มีของกินอย่างอื่นแต่เราก็มีเนื้อให้เขากินได้ เราจะให้เนื้อของเราเป็นทานทันทีที่กระต่ายคิดให้ชีวิตของตนเองเป็นทานพระแทน่นบรรดุกรรมพลที่ประทับนั่งของพระอินทร์ก็ร้อนผ่าขึ้นมาทันทีพระอินทร์สอดส่องดูด้วยทิพเนตรก็เห็นความเป็นไปของสัตว์ทั้งสี่ในโลกมนุษย์โดยเฉพาะ ความเป็นไปของกระต่ายทรงหมายจะทดลองกระต่ายเป็นสำคัญจึงแปลงเพศเป็นพรามแล้วเข้าไปหาหนาคก่อนนาคเห็นพรามจึงร้องถามว่าพรามท่านมายืนอยู่ที่นี่ทำไมเนี่ย มาขออาหารท่าน n นะเพราะวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะรักษาศีลอุโบสถพราหมณ์ตอบนากดีใจมากที่ได้ยินพราหมณ์พูดเช่นนั้นจึงมอบพวงปลาให้ทั้งพวงพระอินทร์แปลงรับแล้วคืนให้แล้วเดินไปยังที่อยู่ของมาจิ้งจอก มาจิงจอกเห็นมีพราหมไมายืนอยู่ตรงที่อยู่ก็ถามอย่างที่นาคถามและได้รับคำตอบอย่างเดียวกันมันดีใจมากจึงรีบเอาเนื้อย่างเฮี้ยและกระบอกนมเปรี้ยวมามอบให้พระอินทร์แปลงรับแล้วก็คืนให้แล้วเดินต่อไป อย่างที่อยู่ของลิงฝ่ายลิงนะคะเห็นมีพรามมายืนอยู่ตรงที่อยู่ของตนก็ถามอย่างที่สัตว์สงตัวถามมาแล้วมันดีใจมากจึงรีบนำผลมะม่วงมามอบให้พรามพรามรับแล้วก็คืนให้อย่างเดิมจากนั้น ก็เดินต่อไปอยังที่อยู่ของกระต่ายกระต่ายถามขึ้นทันทีที่เห็นพรามปรากฏตัวท่านท่านมาที่นี่ทำไมมาขออาหารท่านเพราะวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะรักษาศีลอุโบสถกระต่ายดีใจมากที่ได้ยินพรามกล่าวขออาหารเช่นนั้นเนื่องจาก จะได้ให้ทานอย่างที่ตั้งใจไว้จึงกล่าวว่าท่านพราหมณ์ดีแล้วที่ท่านมาขออาหารจากข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะให้ทานชนิดที่ตัวเองก็ไม่เคยให้ใครมาก่อนเลยคือสละเนื้อของข้าพเจ้าเองให้ท่านกินท่านเป็นคนมีศีลย่อมไม่ฆ่าสัตว์แน่แต่ข้าพเจ้า จะกระโดดเข้ากองไฟให้ไฟไหม้ถึงตอนนั้นท่านก็จะได้กินเนื้อที่ย่างสุก ข, ของข้าพเจ้าแล้วค่อยไปบำเพ็ญสมณะธรรมค่ะพระอินปแปลงประสงค์จะช่วยให้ความปรารถนาอันสูงส่งของกระต่ายสำลิดผลจึงนรมิตกองไฟขึ้นมากองหนึ่ง ใกล้ๆนั่นเองทันทีที่เห็นกองไฟลุกโพลงขึ้นกระต่ายก็รีบผดลุกขึ้นจากที่นอนแล้ววิ่งไปที่กองไฟทันทีคันแล้วก็สลัดขน3มครั้งเพื่อไล่สัตว์ที่ติดอยู่ที่ขนออกจากนั้นก็ตั้งจิตเป็นกุศลสละชีวิตให้เป็นทานกระโดดเข้าไปในกองไฟอย่าง สง่างามคล้ายพญาหงโหลงสะบัวแต่ผลปรากฏว่าไฟไม่ได้ทำอันตรายต่อร่างกายของกระต่ายนั้นเลยกระต่ายรู้สึกเย็นเหมือนอยู่ท่ามกลางหิมะจึงแปลกใจและร้องถามพราหมณ์คือพระอินแปลงถึงเหตุผลที่เป็นเช่นนั้น พระอินแปลงได้ตอบว่าพญากระต่ายข้าพเจ้าเนะี่ยไม่ใช่พรหมามไม่ใช่มนุษย์อย่างที่เจ้าเข้าใจหรอกข้าพเจ้าเป็นพระอินมาครั้งนี้ก็เพื่อทดลองเจ้าข้าแต่พระอินขอพระองค์อย่าทำอย่างนี้เลยเพราะ หากคนทั้งโลกจะมาทดลองข้าพเจ้าด้วยวิธีอย่างนี้ก็จะไม่ได้เห็นว่าข้าพเจ้าไม่อยากให้อะไรเสียเวลาเปล่าๆ เ, เพราะข้าพเจ้าให้ได้แม้กระทั่งชีวิตของตนเองพระอินทร์ซึ่งบัดเนี้ยปรากฏพระองค์ในร่างเทวดาแล้วอนุโมทนา ในกุศลเจตนาอันแรงกล้าของกระต่ายและประสงค์จะประกาศเกียรติคุณของกระต่ายให้อยู่ชั่วฟ้าดินสลายจึงบีบภูเขาทั้งลูกและเอาน้ำสีดำเป็นหมึกวาดรูปกระต่ายลงไปบนดวงจันทร์ทำให้นับแต่นั้นพระจันทร์มีรูปกระต่ายคู่อยู่ด้วยเสมอ และรั้นประกาศเกียรติคุณของกระต่ายให้ปรากฏแก่โลกอย่างนี้แล้วพระอินทร์ก็อุ้มกระต่ายออกจากเปลวไฟแล้วนำไปนอนบนหญ้านุ่มก่อนเสด็จกลับไปสวรรค์ชั้นดาวดึงไยสัตว์สี่สหายคือนาคหมาจิ่งจอกลิงและกระต่ายต่างก็ไม่ประมาท ให้ทานรักษาศีลเข้าจําอุโบสถตราบสิ้นอายุไขชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ตั้งใจจะทำอะไรจริงนั้นมักจะมีอุปสรรคเสมอแต่ส่วนมากอุปสรรคนั้นมักแค่มาเป็นเครื่องทดลอง เหมือนพญากระต่ายตั้งใจสละชีวิตให้เป็นทานแล้วถูกพระอินทร์แปลงกายมาทดลองฉชนนั้น